ค, คือเวลาทาสมาธิหรือภาวนาเนี่ยครับจะฟังซีดีของอาจารย์กั่ด้วยซีดีเขาจะจะใช้คาว่ามันพูดยุบยิบตลอดเลยว่าเกิดเด็บเร็วมากก็เลยรู้สึกว่าเราต้องรู้อะไรที่มันเกิดดับเร็วมากแต่ว่าถ้ารู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่ไหมก็คิดแต่ว่ามันก็คิดธรรมดามันไม่ได้เป็นแบบวุบๆๆบวบบเร็วแบบ อย่างที่ได้รับรู้มาไม่ไอยาตีของหมอพูดน่ยคือมันก็คิดจริงห่อคิดเป็นเรื่องเร่คิดเป็นเรื่องเก็จะไปเรื่องใหม่เรื่องใหมคิดเรื่องเรื่องเรื่คิดจบเรื่องใหม่อันนี้ยมันก็ช้าสิแต่ถ้าหมอเนี่ยตั้งใจฟังลุงตาเนี่ยรู้เรื่องหมดเลยว่าลุงตาได้พูดว่าอะไรรู้เข้าใจรู้เรื่องชัดเจนแล้วหมอลองแอบดูสังเกตดูในใจเองแม้แต่ฟังลุงตาพูดเนี่ยรู้เรื่องชัดเจนหมดเลย แต่ในใจของหมอเนี่ยหมอต้องโต้อตอบตรงตาไม่เคยหยุดเลยแล้วโต้อตอบทีเป็นไวเบชั่นเลยอยากเห็นไอ้ไวเบชันนะครับมันไม่ได้เห็นนะแต่พอาสามใช้คาว่าเห็นไม่ว่าตัวเองคิดอยู่เนี่ยแต่จริงมันไม่ได้เห็นด้วยตาแบบเหมือนตาคิดไม่ได้เห็นข้างในหรอกคือมันมันมันมันยุกยิกจุกยิกคือมันรู้สึกว่าไหวๆเออไหวๆก็ได้กับเพื่อนกับเพื่อ น, ก, อนก็ได้แล้วก็ ทำท่าจะโต้ตอบเราทำท่าจะโต้ตอบเราจนตอดชไหมมันเรื่อมไปไวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวเรียกวาเบชันไงไวเบชันไหวๆนี่ไงมันทำท่าจะโต้ตอบตลอดเวลาเลยอืมมันไม่ได้เป็นเรื่องราวนะอันเนี้ยพอเรามีสติอยู่ถ้าไม่มีสติมันจะคิดเป็นเรื่องราวพอมีสติอยู่เนี่ยมันทำท่าทําท่าจะโต้ตอบเรารอให้เราพูดจบเราจะพูดบ้างครับอ้าวอย่างนี้เนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่ายุกยิ้มคืออาการของจิตแต่เนี่ยอันเนี้ย ให้เห็นอันเนี้ยสัตพทวะรู้อันนี้รู้ศัตทวะรู้อันเนี้ยถ้าสัตทวารู้อายุยิ่ยุ่งยิย่งทุกอาการเหล่าเนี้มันก็จะไปพบใจที่ไม่มีอาการแต่อายุยิกมันก็มียุ่งยิกอยู่แต่ใจมันไม่มีอาการที่ที่รู้สึกยุ่งยิ่มันจริงเหมือนรู้สึกที่ที่ตรงเนี้ยครับแต่จริงอายุยิ่ยิ่นี่มันตรงไหนก็ได้หรือเปล่าครับได้ไตรงไหนก็ได้ในความรู้สึกก็ได้ยุกยิ่งอยู่ในความรู้สึกแต่มันมันแค่กมันเหมือนทําท่าว่าเราหยุดพูดมื่ลไรจะโตตอบจะะรอเาหยุ้ตอบ แต่ในความจะโต้ตอบอะไรมันม oh, oh, ีอยู่เล่นในใจจะโต้ตอบจะพูดว่าอะไรมันมีอยู่เล่นในใจตลอดไอ้นี่ยคืออาการยิ่งยิ่งคืองี้ในใจกระเพื่อมไม่ไหวอมันพร้อมจะโต้ตอบตลอดเวลาเลยเดี๋ยวรอเราพูดจบมันมันมันจะพูดว่าอะไรจะคอจะพูดกับเราว่าอะไรคือประมวลผลเสร็จแล้วมันประมวลผลตลอดเวลาเลยประมวลผลแต่ว่าเดี๋ยวจะโต้ตอบกับเราว่ยังไงอ๋อเข้าใจเข้าใจอ้ไม่เข้าใจเข้าใจอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวจะพูดอย่างนเดี๋ยวจะตอบนี้ดี๋ยวว่างี้อ๋อย่างนี้ใช่ไหม โอ้โหเห็นอะไรเนเงี้ยเออไม่เห็นไม่เห็นมันจะพูดอยู่ในใจอตลอดเวลาเลยภาพพูดอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆมันไม่ได้พูดใช่ไหมมันยุกยิกอย่างนั้นใช่ใช่เปรียบเหมือ น, น่ะมันพูดเป็นภาพเปรียบอย่างเงี้ย ม, มันอยู่คนเดียว ม, มีอาการอยู่คนเดียวแต่คนอื่นไม่รู้ไงว่ากูหนึ่งไม่รู้ว่าเรายุกยิกไงว่ายุกยิกอะไรอยู่แต่เราเป็นคนรู้ใช่ไหมเราเรารู้ว่าในใจเรายุกยิกอะไรเรายุกยิกยุกยิกอยู่แต่คนอื่นเขไม่รู้ไง หมอเลยบอกได้ครัมันเหมือนอาการยุกยิกอยู่ตรงหน้าอกนี่อาการยุกยิกเนี่ยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาการแต่ที่รู้ว่ามันมีอาการยุกยิกหน้าอกนี่อ <sk> ีกหนึ่งอย่างนะคือรู้นี่ไงสำคัญที่ต้องการตรงนี้คือรู้รู้คือต้องการรู้นี่แน่รู้อะไรก็รู้ยุกยิกนี่ไงถึงพูดได้ว่ายุกยิกอยู่ตรงหน้าอกนี้ใช่ไหมทำไมจะรู้ว่ามันมียุกยิกที่หน้าอกได้ก็เพราะอะไรมันรู้ใช่ไหมนี่เนี่ยสําคัญที่สุดคือต้องการรู้นี่แน่ เพราะว่ารู้อันนี้ยมันไม่ได้ยุกยิกแต่มันรู้ไอ้ที่ยุกยิกนี่ไงสิ่งสาคัญที่สุดคือต้องการรู้นี่พอรู้นี่เนี่ยเป็นอมาตะไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายไม่มีตัวตนทีนี้ไอ้ยุกยิกเนี่ยบางทีเรารู้บางทีไม่รู้แต่ว่าถ้าตอนไหนที่เราไม่รู้ว่ามันยุกยิกแต่ว่าตอนนั้นสติเราหลุดหรือเปล่าครับใช่ถูกตองก็แสดงว่าเราก็ต้องคอยจับตาเพ่งมันเอาไว้ จะเรียกว่ายังไงก็ได้คอยรู้กัแล้วกัน <c oughs> <c oughs> อย่าทิ้งรู้ก็แล้วกันจะเรียกภาษาอะไรก็ได้พี่หลุ่มจาบอกว่ามันต้องตลอดเวลาเนี่ยคือหนูก็ค้านเมื่อกี้หนูก็นั่งค้านอยู่ในใจว่ามันต้องตลอดเวลาเลยเหรอคือมันก็มีบางครั้งที่เราไม่ได้ยุกยิกแสดงว่าตอนนั้นเราเผลออย่างสมมติอ่านหนูสวดมนูนกลับไปบ้านหนูสวดมนหนูก็เอาใจอยู่กับสวดมน์แต่บางครั้งหนูก็ รู้ว่าหนูไม่ได้อยู่กับบทสวดและหนูไปอยู่กับเรื่องอื่นแล้วหนูก็กลัดมาสวดมนต์แต่หนูไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยอันเนี้ยค่ะไม่มียุกยิกใช่ไหมคะอย่างเนี้ยถ้าอย่างนี้ ย, ยุกยิกเนี่ยมันยุกยิกตลอดมันมีการกระเพื่อมมีการไหวตัว ม, มีการทําท่าตลอดมันมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดไอ้ที่รู้สึกตัวเนี่ยยุกยิกนอก็จากว่าเราไม่มมมนน ร, ไม ร, รู้สึกตัวขาดสติอันนั้นเน่ะคือไม่ยุกยิกเพราะไอ้รู้สึกตัวเนี่ยมันคือสังขาร สติก็คือสังขารสมาธิก็คือสังขารปัญญาก็คือสังขารมันเลยยุ่งยิบตลอดเพราะว่ามีทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาตามด้านที่เราไม่ไม่ขาดสติมันต้องยุ่งยิบตลอดเพราะว่าไอที่ไม่ขาดสติเนี่ยมันเลยรู้สึกตัวไอที่รู้สึกตัวเนี่ยมันเลยยุ่งยิบเพราะไอที่รู้สึกตัวเนี่ยมันคือสังขารสมาธิก็สังขารปัญญาก็สังขารเพราะไอที่เรารู้สึกตัวไว้เนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยคืออาการไหวมันจึงไม่ได้เห็นเป็นเหมือนเราคิดเลยความรู้สึกตัวนี่ยไอความรู้สึกตัวเนี่ยสังขารแต่ เรารู้ว่ามันเป็นความรู้สึกตัวอยู่อาการที่มันนไหวๆอยู่รู้สึกตัวเนี่ยเพราะมีอาการที่ให้ถูกรู้ได้ว่ามีความรู้สึกตัวอยู่จึงตอบได้ว่ามันมีความรู้สึกตัวแต่แต่อะไรรู้ไหมใครเรามารู้ว่ารู้สึกตัวอยู่เพราะฉะความรู้สึกตัวจึงมไม่ใช่ด่านสุดท้ายใช่ไหมเพราะมารู้ในตอบได้ว่าหนูรู้สึกตัวอยู่หนูไม่หลงแต่ความรู้สึกตัวไม่ใช่ด่านสุดท้าย รู้น่ะเนี่ยดานสุดท้ายดังนั้นความรู้สึกตัวจึงถูกรู้ได้แต่รู้เนี่ะที่ว่ารู้เนี่ดาษสุดท้ายเพราะอะไรไอ้ที่รู้ว่ารู้สึกตัวอยู่น่ะไอ้รู้นั่นน่ะมันไม่มีใครไปรู้มันมันได้แต่รู้ว่ามีความรู้สึกตัวอยู่แต่ถ้าพยายามไปหารู้อยู่ไม่มีหาไม่ได้จริงต้องบอกว่าไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นดานสุดท้ายไอ้เป็นด่านสุดท้ายเพราะมันรู้สึกตัวอยู่ ก็ราะถ้าไม่รู้สึกตัวมันก็ไม่รู้อะไรเลยมันหลงมันจึงรู้สึกตัวอยู่มีความรู้สึกตัวอยู่แต่ไม่ใครก็ไม่มันยึดถือมันแต่มันก็รู้สึกตัวอยู่งั้นแหะแต่ไม่มีใครมายึดถือความรู้สึกตัวไอความที่รู้ว่าไม่มีใครมายึดถือความรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้เป็นอมาตะหรือพุทธะแต่ความรู้สึกตัวไม่ใช่พุทธะนั้นถ้านหลวบอกว่า เออหนูไม่ได้คิดไม่ได้มีไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าหนูน่ะแต่หนูรู้สึกตัวอยู่ไหมล่ะแน่แน่รู้สึกตัวน่ะแล้วหนูรู้สึกตัวอยู่น่ะแน่แน่จะแสดงว่ารู้อยู่รู้ว่ารู้สึกตัวอยู่นแล้วก็รู้ว่าเออมันมีการรู้สึกตัวอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปยึดอะไรไอความไปยึดอะไรแน่แน่ะรู้ว่าไม่ยึดอะไรนน่แน่ไอควาเนี่ยผ้าหลานตั้งหลานจะอยู่กว่นี้เน่อยู่กว่ไม่ได้ไปยิตอะไรก็รู้อยู่ มันช so ้ยึดตามปกติรู้อย like ู <once summar ruim> ่ด้วยความรู้สึกต <speaking on him> ัวอยู่แต่ไม่ได้ยึดอะไรพราะลานั่นอยู่กับว่ารู้อะไรทุกอย่างด้วยความรู้สึกตัวอยู่แต่ไม่ได้ยึดอะไรไอความที่รู้มันยึดอะไรเนี่ยแล้วก็รู้รู้รู้สึกตัวอยู่รู้อะไรด้วยความรู้สึกตัวอยู่ไม่หลงไม่หลงเหมาเมาเพลินไปกับติดไปกับสิ่งที่ถูกรู้แต่แต่รู้สิ่งที่ถูกรู้อยู่โดยไม่หลงเมอเพลินไปกับสิ่งที่ถูกรู้ไม่หลงเมอคิดเปิดเพลินเจริญใจอะไรไปรู้สึกตัวอยู่แล้วรู้สึกตัวอยู่นั่นแหละท่านก็รู้ได้ว่า รู้สึกตัวเนี่ยมันยึดอะไรไมันไต่แต่รู้ทุกอย่างได้ัวความรู้สึกตัวไม่หลงเหมือเพลินกับสิ่งใดแล้วก็ไม่ได้ไปยึดอะไรนี่ไงไม่ไดไม่ได้ไปยึดอะไรนะก็เพราะว่ามันไม่ไปรู้ไม่ไปหลงไปกับสิ่งใดก็เพราะมันรู้สึกตัวอยู่แต่ไอ้รู้เนี่ยมันรู้ว่าเนี่ยมันรู้สึกตัวอยู่ไม่ได้หลงแล้วมันรู้ได้ว่ามันไม่ยึดอะไ ร, รเข้าใจไหมเออพาระลานทั้งหลายท่านอยู่กันนี่ไนงะได้แต่สักแต่ว่ารู้ ไม่ยิดอะไรนี่แน่ที่ท่านผหลานทั้งหลายท่านอยู่กันหรือถ้าเรียกว่ารู้ทุกอย่างนี่จะเป็นกลางหรือสักตะวารู้หรือรู้อย่างเป็นอุเวกขาไม่ใช่ว่าเราไม่อยากพูดตรงนี้ก็เพราะอะไรเรากลัวคนรู้แล้วทําใจเฉยคือมันได้แต่รู้อยู่กับสักตะวารู้ไม่ใช่ไปทําใจเฉย อ, อะไรอันนี้ในะู้หลานทั้งหลายท่านอยู่กันรู้นี้อืมอยู่กับรู้นี้ต้องประกอบกับความรู้สึกตัวเพราะอะไรหลวงปู่ทาอาจารย์ุษโมท่านพูดไวช้ชัดว่า สติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นเห็นไหมไอไอความรู้กับไอไอสติความรู้สึกตัวมันต้องคู่กันสติอยู่ไหนความรู้อยู่ีนั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมันเราเรารู้อยู่ว่าเราไม่หลงผกับอะไรก็เพราะมันมีความรู้สึกตัวอยู่แต่สติไม่ใช่ความรู้สึกตัวไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้ความรู้ไม่ใช่สติสติกับความรู้สติอยู่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นเห็นไหม ความรู้ไหนสตินั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันแต่เพราะมันมีสติมันเลยไม่หลงไปกับอะไรไงไม่หลงไปกับสิ่งที่ถูกรู้แล้วว่า ไ, ไอความรู้เนี่ยมันก็รู้ว่ามีสติอยู่แล้วก็ไม่เป็นจิดอะไรเพราะทั้งหลายจึงอยู่กับรู้แบบมีสติเพราะสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกัน